นโม ต, ตัสสะอะโควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธนทสนะนโมตัสสะอะโควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธตสะนโม ต, ตัสสะอะโควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธตนะอิมังธัมเทสนังตถา ว, วีรบุรีหะรันโตเป็นตัวาตวะชะ เทรังอาระปะกเทสิตีตีณโอกาสบัรนี้อาตมาภาคจะแสดงพระสัมมเทศนาในยมกกลคาาถาเพื่อเปื่อเครื่องสดสงองะสธาบารมีที่บรรดาธนดาธนาธิปดีทั้งหลายได้พร้อมใจมาบำเพ็ญุรุษประจำปัก คือวันขึ้นสิบห้าคันเดืนเอ็ดเป็นวันออกพรรษาตรงกับวันที่สิเอ็ดตุลาคมสองพันหร้อยสามสิห้าเป็นวันอาทิตย์วันลานี้บรรดาทศยานุภูตศรัทธาชลนอมหลายต่างคนต่างก็รบน้อมใจยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุการณีบรรดาทศพุทรบริสุทธิ์หลาย มีความโเคาราต่อพระไตยสนากคมทั้งสามในการมีพ pues mm ระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นต้นอย่างนี้บรรดาทถานมหาชนทั้งหลายต่างคนต่างก็เป็นมหาบุญชอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นทั้งหลายมาตั้งมาพระพุทธในของมาเสลาต่างก็พากันถวายสังฆทานใหญ่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นมหาสังฆทาน หลังจากนั้นก็ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าจักว่าเป็นมหากุาลศลอันประเสด็จตะว่าเทศกันนิยาวบรรดาท่าพุทธบริษัทจะไม่ขอพูดออื่นมากสงสัยว่าสองวันไม่จบไม่จบโอเคไหมถ้าเทศนอยางละเอียดสองวันไม่จบจะยอดอีกจบไม่จบใครทราบ เป็นว่าในขณะนั้นมาองค์สมเด็จพระพุทธกันยบริมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระทับอยู่ที่วเวรุวันมหาวิหารแห่งเมืองราชเกิดมหานครขณะนั้นสาวกของจอมประพิจิตสอนเฮโธธเจ้าองค์สององค์ที่ว่าขมุกขลาองค์หนึ่งพระบินโตภารัตวาชองค์หนึ่งจําบรรษาอยู่ใ ก, กล้ใกล้เจว่า เ, เวลานั้นปลก่าคนที่ยังไม่ถือองค์สมเด็จพระจอมไตรคือมหาเศรษฐีคนหนึ่งยังไม่ถือพทธศาสนาด้วยยังไม่ถือศาสนาอื่นด้วยเป็นคนกลางยังไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิและสัมเพริยและไม่ฉาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไม่ฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด เ, เขายังไม่เป็น มาในวันหนึ่งทังมหาเศรษฐีไปอาบน้ำที่ทะเลมันดาบริษัทหลายก็พากันขึงรวดตาข่ายป้องกันเจ้านายไม่มีนตรายจากปลาและสัตว์ขณะที่ขึ้นจากน้ําดรากฏว่าวเมื่อเอายข่ขึ้นก็มีปมแกันจันปมเหลืองมาติดที่ตาข่ายทัมหาเศรษฐีถามว่าอะไรเขาจึงแกะออกให้ดูก็แกะเผยพิษไหลมาทอติดอยู่ ก็ปรากฏว่าเป็นภูมิแก่นจันทเขาจึงมีความรู้สึกว่าภูมแก่นจันทร์ในที่บ่ายของเรามีมากอันนี้เราจะทําอะไรดีก็คิดตัดทิ้งใจว่าเวลานี้สํานักต่างๆ่างคนต่างก็ปรากฏว่าเป็นพระอรหันต์คณะอาจารย์นักหกก็บอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์พระกักกศก็บอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์สํานักคนนักคนักพระเจ้าก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน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 ถ้าสนักใดมีพระอาหารหันต์ขอให้สนันทนาการมาทางอากาศจิประบัติไปแต่ความจริงบรรดาญาโยมพุทธวิสัตถนไหลจงอย่าคิดว่าพระอาหารหันต์เถาะได้ทุกองนะไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะความจริอาหารหันต์มีสี่เหล่าหนึ่งสุขเวสโกเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ไม่เห็นผีนไม่เห็นเทวดาไม่เห็นโลกสวรรค์ สองเตวิโชเพริวิชาสามขั้นเดานี่มีความเป็นทิพตาเป็นทิพหูเป็นทิพ ป, ปากเป็นทิพแถมฟันก็เป็นทิพด้วยกินเนื้อไปกัดขาดแล้วก็สลาดฉลาดพิญโยเหล่านี้สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆองเอาเอ๋อเนี่ยใก็ได้สี่ไปสัมิัายานไปสัมพัายานี่มีความฉลาดมาก กระรวงความว่าพระอาหารหันต์ไม่เสียหอได้ทุกองเป็นว่าว่าการผ่านไปหกวันยังไม่มีใครจะมาบาดคณะบรรดาเดชถีทั้งหลายต่างคก็อยากได้บาดบาดพระสุภบรมเกศจั น, นไปบอกกับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีบอกว่าถ้าหอไม่ได้ก็จงอย่าเอาจะขอเทศระลัดนะต่อมาถึงวันที่เจ็ดทาโมกขันลานกับพระบิณโดภารัตวชะน ตอนเช้าตรู่ทาทุกขึ้นมาแล้วล้างหน้าเสร็จทำกรรมฐานเสร็จแล้วก็ห่มผ้าตั้งใจจะไปจะไจะินรรดาบในเมืองน่กจะคือ <c oughs> ในตอนนั้นท่านยืนอยู่บนหลังหินดาษยาวประมาณสามาวุธิหนึ่งคาวุธเท่าหนึ่งร้อยเส้นจำนันยรงนะสามคาวุธหนึ่งี่ร้อยเส้นะนะสามร้อยเส้นนะ ก็มีมีคนบางพวกสงสัยว่าจะเป็นเทวดาไปยิงใกลๆใ้ๆแล้วพูดว่าเฮ้ยพวกเราเวลานี้ทน า, าจารย์ต่างๆต่างกล่าวว่าเป็นพระหลานแต่ความยิงไม่จะเป็นเพราะว่ามาหาเศรษฐีเอาบาทมาตั้งไว้เจ็ดปันแล้วแผนไว้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดถ้าไม่มีใครมาเอาแสดงว่าสำนักคน า, าจารย์ทั้งหมดไม่มีพระหราน พอท่านพุมกุลลาฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่สแสดงตนบรรดาประชาชนหลายก็จะดูถูกดูเมิน่นพระศาสนาแต่ถ้าว่าท่านบิณฑบาตวาชะอเมทิตมากอยากจะให้ท่านบิณฑบาตวัช ะ, สะแสดงแทนเนี่ยท่านยังถามว่าบินณฑบาตวัชะได้ยินเสียงชาวบ้านพูดไหมท่านก็บอกว่าได้ยิน โมกลากรบอกว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากก็จงไปเอาบาตรท่านบิณฑบาตวัชชะก็บอกว่าสําหรับท่านเองพระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีผู้ผู้เลิศมีฤทธิ์มีฤทธิ์สูงสุดทําไมจะไม่ไปเอาพระโมกุลาก็บอกว่าตามมาท่าทาว่าท่านไม่สามารถผลจะไปเอาเองเนี่ยดูผิดกันนะไม่ใช่ดูถูกนะท่านบิณฑบาตวาชชะจึงห่มผ้าเรียบร้อยพรอนถือบาตร แล้วก็ห่ะที่ตอนหอขึ้นไปในคะีบเอาหินไปด้วยนะสามร้อยเส้นนะ่ะไอหินมันก็วนรอบเร็วมากบ้านมหาสถรษฐีนะชาบ้านชาวเมืองเอาตะแกรงตะกร้าบ้างตะแกรงบ้างกระโดงบ้างมาปิดแต่ว่าหินจะหล่นทับตัวเอง <c oughs> ตอบว่าถ้าเขาอะไรเขาเอานิ้วสีบหินไว้สแสดงตัวในปรากฏชาวบ้านก็บอกว่าพระคุณเจ้าหินมันจะหล่นลองมาฉันจะตายจะจอดบาดเจ็บในชะ่ไหม เ้ากัเลยเอาเนื้อข้าสลัดหินไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็ยืนบนลังคาเรียงเขามหาเศรษฐี <c oughs> ความจริงพระถือว่าถ้าเขาไม่กระเคีนนี่รับไปได้ใช่ไหมตามพมีนายถ้าเขากระเสีนแล้โยนให้ยับได้แต่ยโยนแกงนะโยนนะ <c oughs> โยนั้นต้องโยนนะ <c oughs> เคยเคยเคยเห็นเคยได้พบมาตามวมีนายก็บอกว่า ถ้าเข้าประเด็นไม่ถึงอยนูนให้ก็ได้เป็นราว่าธรรมหาเศรษฐีเพราะในบุตรพญายทั้งหมดบริวารทั้งหมดก็ขึ้นไปร้องฌานเริงกราบท่านเป็นโดยพระสวสดิวาชะเพราะว่านมนต์ด้วคุณเจ้าลูกมาถึกครับผมจะาบาดอุกมาเองขราพุทธศาสนาแล้วท่านก็หลงไป <c oughs> เมื่อลงไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาจะไหวพระตาหารอย่างดีเลิศแล้วก็จวายบาดพร้อมเงณฑ์ฌานด้วย ตอนที่ท่านบินโดวัลสวัจะเหาะนั่นคนไม่มาเพราะเขาไม่รู้ตกวใช่ไหม<า>เมื่อท่านรับบาดเสร็จรับอาหารเสร็จก็จะกลับบา้านกลับวัดไปสบายนะพล า, <laughs> าอยู่ไหวหรือเปล่า ย, ยกทรงนีร<า> <laughs> ิ้นไม่แข็งอีตอนนี้คนในป่าบ้างคนในเมืองบ้างคนในบ้านบาออ้างก็วิ่งมาบอกพระคุณเจ้าก็รับพระคุณเจ้าเจ้าฆ่าฉันยังไม่เห็นเหาะเลย พอให้ดู ด, ด้วยอ้าแทงตองเหาะเหาเดียวหนึ่งแล้วก็ลงมาแล้วเดินต่อไปที่พูดลงมาอีกพระคุณเจ้าขอรับเหาะเยครับผมยัไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นที่ข่าชาวบ้านต่อเหาะหลายเที่ยวไปถึงวิหารเมื่อมาถึงวิหารและชาวบ้านยังมาล้อมวิหารอีกขอร้องให้ เ, าเหาะเวลานั้นพระพุทธเจ้ากำลังเทศพาจริงองพระเศวตโพลรโมโล ก, กเ็เช่นนะทราบทุกอย่าง เมื่อทราบรั้พระเนีต้องรู้แล้วเร้่องธรรมเป็นเหมือนไม่รู้จะเป็นธรรมดานะถามว่าอ น, น, นุ์นังเสียงอะไรอ น, น, นุนบอกว่าเสียงชาวบ้านครับที่ชาวบ้านต้องการให้บิณฑบาตวาชะออกให้ดูพระองค์สมเด็จพระบรมโคยังมีพระตำหรักตรัสว่าอ น, น, าอ น, นุนท่านอนท่าดูกหมดอนนุ์ไปตามบิณฑบาตวัชชะมาเอาบาตรแจกจันทมาด้วย พอท่ินบิณฑราตราชมาแลา้วท่านก็ถามว่าเธอขอาะเช่า บ, บ้านดูหรือท่านบินณฑบาตราชจำเป็นพระอรหันนี่นะก็ยอมรับว่าใช่ขอรับตรงพระพุทธเจ้าทรงติเตียนมากมายติ่านแสดงปฏิหารให้คนดูเวลานี้พระเลยเหาะไม่เป็นกไปตามๆกันพอเป็นแต่ไม่เต้าเหาะเวลาที่บ้านไม่เห็นนะเหาะได้แต่เช่บ้านขาไม่เห็นห้ามแสดงปาฏิหารเจ้าประคองวัญหยัด ป้าต่อตอนี้ไปห้ามพระทั้งหลายแสดงปาฏิหาริย์ <c oughs> ถ้าใครแสดงปาฏิหาริย์ในทางเขาจะปรับเป็นโทษท่าบรรดา ญ, ญาติโยมพระตัวสัตว์ต้ตองคิดดูตามธรรมดาพระอรหันต์พระเจ้าไม่ปรับโทษที่ล่าจริงๆสมมติว่าพระอรหันต์จะไม่มีเป็นโทษนั้นได้านพิสมาจารย์ถ้าละเมิด อ, อย่างอื่นจะปรับโทษ <c oughs> ก็ไปห้ามมาดีเขาไม่ทํา ไอ้ที่เขาไม่ทํามันไม่รับรบไอ้ที่เขาทําเขาจะไม่ทํำมันไม่รับโทษนะที่เขาพอจะทําได้สมปรับโทษแต่ว่าพุทธม า, าจารย์มันเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรต่อมาองค์สมเด็จรพระจอมใจก็กรัสว่าถ้าหันถือว่าเป็นวิผู้สติไม่เป็นผู้มีผู้มีสติสมบูรณ์ไม่ปรับโทษทุกอย่างเป็นอรหันต์ลอยตัวลอยหรือไม่ลอยถ้าก็ลอยอยู่แล้วใช่ไหม นั่หานนี่ไปไม่พายกันแน่หลังจากนั้นเป็นต้นมาบรรดาเศรีทั้งหลายทราบข่าวว่าองค์สมเด็ จ, รจพระจอมไตรย่ามพร ะ, สะแสดงปาฏิหาริย์การที่ท่านบิณฑบาตราช ะ, สะแสดงนนเขาเขาน้อยใจมากเพราะเขาเสียใจพวกเขาหาะไม่ได้ใช่ไหมไปขอบ่ายก็ไม่ให้เปบิณฑบาธร า, าชเอาะไปก็ให้ ยืนประกาศว่าต่อตอนนี้ไปเราจ ะ, สะแสดงประหารทีแข่งกับพระสัมมาโคดมท่นไหนพระดาทุกสี่จะยกูไม่ได้เลยอืมก็เป็นวันวานในหลวงเมื่อเขาประ ก, กาศกล้องของทั้งประเทศพระเจ้าพิพิธสัยก็หนักใจเพราะองค์สมเด็จพระจอมใจทรงห้ามสแสดงปฏิหารเวลานี้จะิญถิสถานจ ะ, สะแสดงปฏิหารที่แข่งกองค์พองค์จะทำยังไงถ้าหากว่าทําก็เปิดการขัดคําสั่งของตัวเอง จึงไปฝ้าพระเจ้าถามว่าเวลานี้ผมบรนดาลที่ดิงหลายตั้งใจจะแสดงปฏิหังแข่งพระองค์ล่าโชว์ยังได้ยังไงพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเขาจะแสดงแข่งแขงก็แสดงแสดงแข่งกันเขาพระเจ้าพิจารณ์ก็ถามว่าในเมื่อพระองค์ทรงห้ามแล้วทาไมจะแสดงได้พระเจ้าถามว่าคนไม้ในพระสุตยานของพระองค์องค์กินได้ไหมพระเจ้าบอกพิจารณ์ว่ากินได้ ถ้าจะบ้านอาเอาไปกินจะบอกไปเป็นโทษถ้าจะบ้านเอาไปเป็นโทษพระราชากิเองได้นะพระเจ้าท่านบอกว่าพระมหาราชาโดยก่อนพระมหามอโมพิตรายจะสัมพัสถ้าพุะใุทยขององค์จะเป็นชั้นใดตถาคตก็เป็นเหมือนกันบทบัญญัติที่บัญญัตินั้นห้ามจะเพราะภาษาวกมันจะห้ามตัวเองเอาเสิแล้วพระเจ้าเสานแสงถามว่าถ้าอย่างนั้นองค์จ ะ, สะแสดงที่ไหน เพราะว่าจะแวะในเมืองสาวัตถีไก้เคียงเมืองสักเกตประตูเมืองสักเกตนะประตูเมืองอะไรหวานนึกเสื่อมออกบางครสังกัดตนครจะไปสักเกตสักเกตมันมานร้องยัดขาเนาะใช่ใช่ทั้งังน่ังกัดตนครนะหลังจากนั้นองค์สมเดปจพระจีนวรก็ทรงเดตเที่ยวไปในเมืองราชพฤกษ์ พาไปที่พอใจก็เมืงองบาปเมืองสาวาถีเมืองพระเจ้าเห็นิทธิโก็สนเพื่อนกันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าประเสิิ์ในตโวก็สนก็ดีพระเจ้าพิมพสายก็ตามแล้ว อ, อะไรพันพระเสนาก็ตามสี่องค์นี้เป็นเพื่อนกันเจนหนังสือสำนักเดียวกันมาไปไปไปพร้อมกันในเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วบรรดาที่เหลหลายก็ติดตามพระเจ้าไปนัดหมายเพราะว่า ถ้าชาวบ้านเขาถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าพวกเราจะแสดงปาฏิหาริแข่งกับพระสมณโคดมตอนนี้พระสมณะโคดมหนีเราไปก็จะติดตามไม่ยอมให้ไม่ยอมให้นีไปเก่งเขาด้วยนะเมื่อไปถึงเมืองพายอวสาวถีแล้วสาวถีใช่ไหมเมื่อไปถึงเมืองถึงเมืองสาวถีแล้วองคมรเทพเทพแจ้ากองทัพพระเจ้าวสิทธิ์ทีโคศลก็บอกเฝ้า หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าพระเจาาาาาา้าปถิบัติความศรัทธาว่าจะแสดงปาฏิหาริย์ที่ไหนก็บอกว่าจะแสดงที่ตน้นมะม่วงมรนดาเดชินไหลายก็สั่งบรนดาญาจโยงพุทธบริษัททุกสิทหาทั้งหมดทุกสิมากนะว่าตน้นมะม่วงมีที่ไหนให้โค่นต้นถอนลากถอนโคนให้หมดแม้แต่มะม่วงที่งอกในวันนั้นก็ให้ขุดทิ้งไปเสียไม่ให้มีตนม้นมะม่วง ก็เป็นการบางเอื่อนที่รับได้นทาทเทวุพะคุมาจารย์ตายกว่าจะของสวนคนหนึ่งชื่อในกันดะกันดานะฟังให้ดีนะชื่อชื่ออันตรายชื่อในกันดะเป้าสวนมาม่วงอยู่เห็นมะม่วงสุกมีหนึ่งลูกให้พวกแรงพวกกาวพวกตุก็จะจิกจินจะไล่ไปจะเจ็บมา ตราต่างใจคิดว่าเราถ้าเราจะถวายก็พระราชาพระราชาก็ให้บางวันใส่สามัญะบ้างสิงาบสามัญะมั่งเราไม่ฟอจริงไปตลอดชาติถ้าเราถวายองท์ทศนิพ่ทงมรรคก็ น, น่าคือพระเจ้าจะได้บุญมากก็นำไปถวายพระเจ้าพระเจ้าก็สวรับรับแล้วก็มีมระปอกเปลือกปอกเปลือเสียจมองดูก็อันหนนพระนอนก็พรขาวมากรองน้ําขยำขยำเข้าตำระทำน้ำอัตบาน ในบาลีโอคเราทำ น, น้ำปานะไอ้ปานะแตลว่น้ำน้ำทำน้ำน้ำก็ปลาดิหันได้ตอนเย็นนะนะหลังเที่ยงเมื่อกดนา่าฉันเสร็จท่านก็บอกให้หนอยกันดะคุยดินที่ซื้อๆออกไปแล้ววางผมงลมะม่วงลงแล้วจบแล้วก็ล้างมือที่ผลมะม่วงพอเดียวเดียวต้นมะม่วงโตพึบครับโตใหญ่มาก มีกิ่งกล้านสักขาวอันแยกออกสี่ทางและยอดหนึ่งทางเป็นห้าเป็นห้าสายด้วยกันบรรดาดีๆท่านหลารำพากันสั่งสร้างบันดกที่จ ะ, สะแสดงปฏิหาริย์แข่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถามไม่ถามพระเจ้าว่าต้องจ ะ, สะแสดงที่ไหนต้องจะแสดงขคนต้นมะม่วงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะทำสัตว์ละจะทำบันดกต่อไหวพระเจ้าบอกไม่ต้อง พระเจ้าประสิทธิ่งก็สอนก็ถามว่าในเมื่อข้าพระเจ้าไม่สามารถจะทําใครจะทาได้ถ้าบอกพระอินจะทําเองก็เป็นว่าวันนั้นพระอินไม่ได้ทำํำพระเจ้าแสดงต้นม่วงแล้ก็ไปตงทำบัดุบรรดาที่ถึงหลายก็ตั้งคันตั้งอะไรนั่งร้านเห็นไฟไหมทำคันตั้งนั่งนั่งไปสูงแสนสู ง, สงพระอิน ก, ก็สั่งว่ารถไปแผกแสงให้หนักให้ร้อนจัดเผาหลังมัน กรุน้องไหมอย่างพุทธโยทรงเนี่ยบอกพระพายกับพระเจว้อพระเจ้หรือเปล่าอ่ะบอกพระพายบอกพัดให้แรงทำลายอัศจรรย์ที่มันตั้งขึ้นไปพระองค์พรให้พังให้หมดทางหมดขึ้นขัน้นเลยล่นตกกุมารใช่ไหมเป็นอะไเขาก็ต้องแพ้พระเจ้าพระเจ้าแสดงอมายมุกปฏิหารคนต้นมะม่มวงแสดงพระเจ้าเองจริงๆหกองค์ พระเจ้าปลอมห้าองค์พระเจ้าแทนหนึ่งองค์ต่างเทศต่างถามกันต่างตอบปัญหายะบ้านฟังพอสแสดงเสร็จบรรดาท่านพุทธบริษัทพระเจ้าวันนั้นไปวันเออเดี๋ยวก่อนอีตอนที่จะประกาศว่แสดงปฏิหารเนี่ยบอกพระเจ้ามาพิมพิสารบอกว่าอีกสี่เดือนข้างหน้ากล า, างเล่นแปดจ ะ, สะแสดงใช่ไหมทำไมเขาไม่ษาก็ดี หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินสีก็ขเด็กขึ้นดาวดึงก้าวแรกก้าวไปเหยียบยอดเขาอะไรจำไม่ได้เจ้าคนจำได้ไหมอ่าใช่ต่คนแต่จำไม่ได้นะคนฟังคนเทศพอกันก้าว <9 S 1> ที่สองเหยียบยอดของเขายุคคันธนก้าวที่สามเหยียบยอดเขาพระสุมเมรตอนนั้นพระอินทร์ออกมารับ ขนาที่ดีนออกมารับก็นึกว่าพระเจ้าตัวเล็กนิดเดียวสูงแค่แปดสองมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นธรรมเนียมไม่เป็นเวณีก็นีมนให้ประทันบนท่านบรรดุคำสุชาตแต่คิดในใจว่าองค์เสุดพระงบรมราชานาถสูงแค่แปดสองมนุษย์ตัวพีนเองสูงสามโยชน่ะถ้าเดินมาที่นี่พวกเราเห็นเป็นเตะทั้งหมดเนี่ยดีไม่ด้กล้าหนีไม่ไหวนะ ก็เป็นว่าพระเจ้าในในเห็นวินญาณอย่างนั้นรู้ใจนึกไงก็โยนยยวนปั๊บไปคมพอดีนั่งประทับปรับพอดีกันเลยตัวใหญ่มากพอดีกับพระแทน่นหลังจากนั้นแล้วองค์พระเจ้าพระเทพแก่กับวงาพิน้อยม า, าราชาขอถวายพระพรขอจงไปตามพุทธมารดามาเจั้นดุสิตแล้วก่อนจะไปวิญญาณก็ถามว่า เมื่อตอนที่แรกพระองค์ขึ้นมาตัวเล็กนิดเดียวท้านั่งบนพื้นดูอยู่กับพลศิลาอาจก็จะไม่ต่างอะไรกับแมลงตัวเล็กๆสิตัดบนแทน่นจะเวลานี้ร่างกาพระองค์ใหญ่โตมากเหมาะสมกับแท่นเป็นเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่า พ, พโะอัวประมาณโนคำว่าพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จะไปที่วัดปีแปดสองเก้าสองสิบสองได้ไม่ได้นะ ไอ้แปดสองเป็นร่างกายผู้เสด็จศรัทธาพระเจ้าข้านาที่พระเจ้าเข้าไปนั่งตรงนั้นใหม่ๆก็มีเทวดาสององค์มีเรื่องแทรกนิดนะเรื่ในทสองเรื่ององค์หนึ่งชื่ออินทกะนั่งอยู่ข้างบาวข้างขวาคือองค์หนึ่งชื่ออังกุลละนั่งอยู่ข้างซ้ายแต่ว่าเวลาเทวดาทั้งหลายมาองังกุละก็ถอยเลื่อยไปอินทกะนั่งเฉย พอเทวดามาหมดเะวดิงอาวุานับอยู่ท้ายสุดนู้ดหน้าวประตูนู้ดใครนั่งหนาวตัวส้มเลยฮะพระเจ้ า, า, จาต้องการจะให้บรุษย์ที่้างล่างได้ยินเพราะว่าบรุษย์ทั้งหลายในเมื่อพระเจ้าเคนมาแล้งเขาม่ยอมกลับบ้านก็บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่กลับมาเพื่อนใดพวกเราก็ไม่ยอมกลับบ้านเหมือนกันก็เป็นภาระของพระเจ้าประเสริฐในที่โศสนต้องกาศให้คนช่วยกันเลี้ยงคนนับจานวนล้าน หลายสิบล้านคนมาดูเพราะอากาศตงสี่เดือนนี่รู้ทั่วไปใช่ไหมเป็นนว่าเจ้าประสิทธิ์เนี่ยก็สนก็ไม่ใช่ตําแหน่งพระราชาแล้วตอนนั้นเป็นอะไครับเป็นตำแหน่งหัวหน้าครัวชิมแกงทุกหม้อชิมอาหารทุกหม้อว่ามีรสดีไหมถ้าไม่ดีไม่แจกคนต้องแกงใหม่ต้องทำต้องรทำใหม่ต้องเลี้ยงคนอย่างนั้นต้งสามเดือนคนนับโกดบรรดา ญ, ญ า, าติโยมผู้โดยสารเสียหายไม่น้อยนะ แต่ก็ยอมทําแต่เมื่อคนยังนั่งรออยู่สมเดพระรงครูคิดว่าเราต้องการให้คนหลายทราบว่าการทําบุญในพุทธศาสนาก็บนอกพุทธศาสนาต่างกันยังไงองค์สมเ็จะไปจอมไตรยตรัถามอังกุลเทบุตรลก็อังกุ拉เมื่อสถาคตมาถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างซ้ายของสถานคตเวลานี้เทวดามาหมดทั้งดาวดึงเธอนั่งสุดท้ายไปหลังอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมรถถมุษย์ทำบุญอะไรไว้ อังกุลละก็บอกว่าฟันเตยพระกวาแค่แต่พระองค์กูด ไ, ไม่ร่ำเจ้าพระเจริญในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เวลาตอนนัะคนมายุคแปดหมืนปีเป็นเด็กแค่สองหมื่นปีเป็นหนุ่มเป็นสาวสองหมืนปีค่อยชั่วหน่อยนะเป็นคนวัยกลางคนสองหมืนปีเป็นคนแก่สองหมื่ปีไอ้กแก่สองหมืนปีจะไม่ดีนะไนอแข้งก็ไม่อยากแก่แล้วก็แก่เหมือนกันก็เป็นว่า ในตอนท้ายสองหมืนปีหลังข้าพุทธเจ้าตั้งลงพานแปดสิบแหงหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแหงหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแหงแจกทั้งเงินแจกทั้งข้าวแจกทั้ ง, ง, ง, งผ้าผ่อนท้องสบายคนขับ้าคนเดินทางคนยากจนใครต้องการอะไรก็เอาให้ทุกอย่างทั้งวนันทั้งคืนเจ้าสายเวลานั้นไม่มีพุทธศาสนาคนไม่อยู่ในศีลธรรมคนไม่มีศีลนิธรรมยังเกิดมาเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดทุนดาว ด, ด, ๆดๆึง การไม่ดีญาติโยมนะตอนที่สำคัญนะถ้าต่อมาพระเจ้า ก, ก็ถามอินกะพระอินทกะเมื่อตะถาภคขึ้นมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้วิลานี้คนมาทั้งหมดแล้วเทวดามาทั้งหมดเธอก็ตั่งที่เดิมอยากย่าทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาทั้งหมดใน่เาจึง ท่านราชการก็บอกว่า พ, พาาันเุพระกวาฆ่าจองค์สมเด็จพระผู้ไม่ร่ำเจ้าพระเจ้าเลยในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพเจ้าเป็นลูกคนจนลูกชาวป่าพ่อตายตัดปืนขายเลี้ยงแม่มันก็ไม่มีจะตังค์มากได้มาวันขายวันกินวันใช่ไหมต่อมาวันหนึ่งพระสงฆ์ในเพื่อศาสนาเดินเจียดบ้างไปเกินห้าองค์เธอต้องจะเสียองค์กันไปแต่เขาถือเป็นสังฆทาน ถ้าเห็นพระก็คิดว่าเราเป็นคนจนโอกาสให้ฐานไม่มีวันนี้พระมาโปรดถึงบ่ายหรือเฉียดบ่ายเอ้ามาเติมในมนฑลฉันอาหารอาหารป่าตามมีําเกิดใช่ไหมพระก็ฉันอาหารที่ตะวันพระจะนั่งจัดเป็นสังฆท า, านเมื่อตายจากความเป็นคนยังขึ้นมาเป็นเ เ, นเจ้านายเทยวดาทั้งหมดบนสวรรจะดาวดึงแค่ครั้งเดียวเมื่ใช่ญาติโยนถัาหมากกว่านะวันนี้ดูถ้วยไหลถ้วยเยอะ ใช่ไหมสงฆ์ทานโตก็มีสงฆ์ทานเพื่วยก็มีสงฆทานบายก็มีนะพระก็รับเยอะกว่าพระก็รับเยอะกว่าวันนั้นประมาณหกองค์อินทากาั่ถวายน ะ, ะเป็นว่าบุญก็ยากยงกุโดยสัตว์มีมากกว่าอินทกะท้างนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งตั้งใจมาหลายวันแล้วว่าจะมาก็เริ่มตั้งใจกุศลไม่เกิดแล้วบุญเกิดแล้วได้แล้วตัดสินไม่ตัดสินใจปักบจะมาได้แล้วนะแต่การที่สองเข้ามาถึงวัด เกิดทัศนนามตริยะเห็นบพุรูปเริ่อใสเห็นพระสงฆ์ก็เกิดความเรื่องใสเรื่องใสในกายให้ทานืงใสในกรากกรฟังเทศอ้สง ม, มนได้แล้วเวลาเปนนามบัณฑาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเสียงก็ไม่ดีเล่นก็ไม่ดีเวลาที่มันหมดเวลาทาไงหมดเวลาแล้วใจง่ า, าเพล่แหล่มใหญ่ใหญ่เต้ ส่ววันนี้หมดเวลาแล้โยมขอไว้ต่อมาพรุ whole, er ่ง no น e. ี้นะคนที่เทโวรสูตรอารมณ์ญาติโยมผู้สวดเขามาดายพรันทรหลายจะมีความสุขสวัสดิ์วิวัฒนาบ่งคลสมบูรณ์ผลผลจนเจริญไม่ด้วยจะตุรฤทธิ์ตะพนชัยทั้งสิบระยการมีอายุวันละสุขภาพละและปฏิภาณปัตตนาเสียงใดค่อยได้สิ่งนั้นท้องความประสานทุกประการอาจจะมารับทานวิวัฒนามาลเทโวโหุตกถาน ขอขย่ติปธรรมเตสนารงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังสมีเป็ประกาศาชนนี้